บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งกรรมฐานที่ควรสำเนีกศึกษาในข้อต่อไปนั้นคืออาหารเรปฏิกูลและสัญญาได้ แ, แก่การทำสติกำหนดหมายมองให้เห็นความปฏิกูล แห่งอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งเป็นกระซึ่งเป็นกรรมฐานที่สมบคายจัดความกำหนัดความยินดีความพอใจในอาหารเหล่านั้นออกไปแต่เป็นกรรมฐานซึ่งเหมาะกับจริตอัตยาสัยของคนที่ประกอบด้วยพุท ธ, ธิจริตหรือปัญญาจริตคือเป็นนักคิด ชอบวิเคราะห์สอดส่องหาเหตุหาผลในเรื่องนั้นๆลักษณะของจริตคนเราทั้งหลายที่แตกต่างกันซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้ถึงหกจริตนั้นคือราคะจริตมีความกำหนัดรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆกรรมฐานที่เหมาะสมแก่บุคคลเหล่านี้ก็มีพวกกายกตาสติ และสุภกรรมฐานที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนโทสะจริตก็ต้องใช้อารมณ์กรรมฐานคือพรหมิหารทั้งสี่ประการเป็นต้นสำหรับโมหะจริตจริตและวิตกจริตนั้นก็สอนให้ใช้อนาปานสติกรรมฐานซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่ ว, วไปสะทาจริตก็ทรงสอนให้เจริญพวกอนุสติดังกล่าวแล้ว สำหรับคนพุท ธ, ธิจริตซึ่งเป็นคนชอบคิดอย่างมีเหตุมีผลมีระบบความคิดและมีปัญญานั้นก็ทรงเสนอเรื่องให้เขาใช้ปัญญาของเขาในเรื่องที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาลักษณะาการสังเกตจริตนอกจากที่เคยกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นท่านยังแสดงว่า จริตนิสัยของคนนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมอยู่ภายในกิตใจของบุคคลคือเนื้อเนื้อหัวใจอีกด้วยท่านบอกว่าลักษณะของหัวใจนั้นถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาตัวปลายหัวใจจะมีลักษณะบานอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคนไม่มีปัญญาตัวปลายหัวใจก็จะไม่บาน นอกจากนั้นยังแสดงลักษณะของน้ำที่มีอยู่ภายในหัวใจซึ่งท่านบอกว่าประมาณกึ่งฝ่ายมือหนึ่งเป็นการสะท้อนในเห็นนิสัยหรือจริตของคนที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนในชั้นของการจะพิสูจน์น้ำเลี้ยงหัวใจเช่นนี้ก็คงจะพิสูจน์กันไม่ได้แต่ท่านก็แสดงลักษณะเอาไว้ว่าคนที่มีราคะจริต คือมีปกติกำหนัดจินตีในอารมณ์ทั้งหลายมากเป็นพิเศษนั่นน้ำเลี้ยงหัวใจจะมีลักษณะเป็นสีแดงเข้มคนที่ประกอบด้วยโทสะจริตซึ่งมีลักษณะฉุนเฉียวว่องไวกระชับกระเฉงโกรธง่ายจนถึงอาฆาตพยาบาทง่ายนั้นน้ำเลี้ยงหัวใจจะมีลักษณะเป็นสีดำส่วนคนที่ ประกอบด้วยโมหะจริตมีความซึื่อซึมไม่ค่อยกระฉับกระเฉงหอยเ ง, งาอยู่เสมอ น, นั่นน้ำเลี้ยงหัวใจจะมีลักษณะเหมือนกับ น, น้ําลางเนื้อส่วนคนที่วิตกจริตคือคิดฟุ้งสั้นคิดสัสายไปในอารมณ์ต่างๆมากนั้นลักษณะน้าเลี้ยงหัวใจจะเหมือนกับเยื่อไนของถั่วผูคนที่มีศรัทธาจริต คือน้อมใจเชื่อไปในวัตถุในบุคคลในเรื่องราวต่างๆง่ายน้ำเลี้ยงหัวใจจะมีลักษณะเหมือนสีดอกกันนิกาส่วนคนที่เป็นพุทธทิจริตหรือปัญญาจริตลักษณะน้ำเลี้ยงหัวใจจะมีความขาวใสเหมือนกับดวงแก้วซึ่งต้าหากันมองมองกันในแง่ของน้ำเลี้ยงหัวใจที่ท่านได้แสดงเอาไว้ ก็เป็นการสะท้อนในเห็นในเชิงนามธรรมว่าความรู้สึกที่ออกมาเป็นประจำจิตสันดาณของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกับนามวใจยที่ท่านได้แสดงเอาไว้ส่ดนี้ก็เป็นรายละเอียดอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งในข้อที่ท่านแสดงไว้เกี่ยวกับจดิตของบุคคลทั้งหลายที่แตกทางกัน สำหรับคนที่เป็นพุทธิจริตซึ่งมีน้ำเลี้ยงหัวใจที่ใสดุดแก้นั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นในเชิงนามธรรมคือเป็นความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางความนึกคิดของตัวเองพร้อมที่จะขบเจาะตัดสินปัญหาต่างๆเหล่านั้นโดยเหตุโดยผลโดยหลักการและวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงซึ่งถ้าหากว่าบางครั้งบางคราวไม่มีอะไรมาควบคุมเอาไว้โดยเฉพาะคือไม่มีปัญญาเขาวบกคุมเอาไว้ก็อาจจะนอกลกูนอกทางไปได้เหมือนกันดัง น, น, นั้นในชั้นของอินทรีย์ที่เคยแสดงมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงสัตทินรีควบไว้เพื่อมให้ปัญญรีคืออินทรีย์คือปัญญาของบุคคลนั้นออกนอกลกูนอกทางไป เรื่องของอาหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตของคนเราพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงหลักไว้เป็นข้อแรกว่าสเบสตาหารติติกาสระสาทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยอาหารอาหารจึงเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการเครื่อกูลแก่ชีวิตและในความดำรงคงอยู่ของชีวิต แต่ในขณะเดียวกันอาหารก็เป็นปัญหาถาวรของมนุษย์จนบรรดาทุกข์ที่เรียกว่าปกิณกะทุกข์และสภาวะทุกข์ที่ทรงแสดงไว้ถึงสิองข้อนั้นก็มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยการสแสวงหาอาหารอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นนิพพติทุกข์คือทุกข์เนึ่งนิดทุก์ตลอดชีวิตที่จะต้องกระทำสืบต่อกันไป ตร์ใดที่ชีวิตยังมีอยู่สตรบนั้นก็ต้องมีการสแสวงอาหารสแสวงหาอาหารอยู่ร่ำไปดังนั้นการสแสวงหาอาหารที่มีความจําเป็นนั้นอาจจะเกิดปัญหาก็ได้อาจจะไม่เกิดปัญหาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการในการสแสวงหาอาหารของบุคคลผู้นั้นแต่ในชั้นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งลงไป คือทรงสอนให้บุคคลใช้สติระลึกรู้ถึงอาหารที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาหารที่พึงดื่มพึงลิ้มพึงรับประทานเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าบุคคลขาดสติปัญญาเป็นหลักในการพินิษพิจารณาแล้วอาจจะตกเป็นธาตุของการแสวงหาอาหาร อาจจะสแสวงหาในทางที่ไม่ชอบธรรมก็ได้และอาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตขึ้นมาก็ได้ดังนั้นพึงสังเกตว่าภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มแรกจริงๆข้อแรกจริงๆพ ร, ระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือการสแสวงหาอาหารและแบ่งขั้นตอนในการพิพพจารณาออกไปถึงสามช่วงด้วยกัน ตรงแรกคือในชั้นของการรับอาหารก็ให้พิจารณาเห็นว่าอาหารนั้นโดยสภาพจริงๆแล้วก็เป็นของปฏิกูล น, น่าเกลียดประกอบด้วยส่วนผสมซึงมีลักษณะต่างๆกันออกไปโดยความเป็นจริงแล้วอาหารนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นของที่ว่างเปล่าจากสิ่งที่ควรแก่การยึดถือ ซึ่งแน่นอนการพิจารณาในชั้นนี้สําหรับผู้เข้ามาใหม่ๆก็คงจะพิจารณาได้ยากแต่เนื่องจากทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกขณะที่รับอาหารเหล่านั้นความรู้สึกนึกคิดที่จะจําน้นต่อเหตุผลจําน้นต่อหลักความจริงก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในจิตสํานึกของท่านผู้นั้นทําให้เป็นผู้ไม่ให้ความสําคัญแก่อาหารมากเกินไปหรือพร้อมที่จะ บริโภคอาหารพร้อมที่จะรับประทานอาหารที่จำนวนภาษาบาลีสงใช้คำว่ายังอัตภาพให้เป็นไปไม่สุดสมดังนั้นเวลารับประทานอาหารจึงส่งสอนให้พิจารณาอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งโดยมองให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารว่าการรับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อเ อ, อรอร่อยเพื่อความอ้วนเพี หรือเพื่อสแสดงสถานะแต่ประการใดแต่เรารับประทานอาหารนี้ด้วยความประสงค์ว่าเพราะนั้นเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารนั้นจะสามารถขจัดความหิวเก่าต้องการความหิวใหม่ให้ร่างกายเจริญเติบโตมีกําลังสามารถปฏิบัติภารกิจของตนได้เพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ตามถ้าสําเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายทั้ง3ประการแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นอันใช้ได้าสามารถยังชีวิตให้เป็นไปได้กำจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความผิวใหม่ได้ในช่วงหนึ่งในระยะเวลาหนึง่งและหลังจะรับประทานไปแล้วในตอนเย็นเย็นก็ทรงสอนให้พินิษ์พิจารณาที่เรียกว่าปัจเจเวกคณะคือเป็นการน้อมนึกถึงเรื่องอดีตขึ้นมาพิจารณาโดยในยะที่กล่าวแล้ว แต่เป็นการพิจารณาปรารภอาหารในอดีตซึ่งตนเคยได้รับประทานไปแล้วในตอนเช้าก็ดีตอนเชี่ยงก็ดีเหล่านี้ก็คือพวกอารมณ์ของกา ร, รมาทานที่ทรงสอนให้ใช้ในชีวิตประจําวันของบุคคลตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วการดํารงชีวิตของบุคคลเรานั้นเราจะเลือกอาหารให้เป็นที่ถูกปากถูกใจของเราเสมอไปไม่ได้ บางครั้งต้องการอาหารร้อนก็ได้อาหารเย็นต้องการอาหารเปรี้ยก็ได้อาหารเค็มซึ่งถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไปให้ความสำคัญแก่เรื่องล่บนี้มากนะักในที่สุดก็จะมีปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารแม้ภายในบ้านภายในครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งอาหารก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีการพยายามปรับ จิตใจโดยนัย่ที่ส่งแสดงไว้สมขั้นตอนจิตใจก็จะค่อยๆ ย, ยอมรับความจริงโดยนัย่ที่กล่าวแล้วทำให้บุคคลเราพร้อมที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารอะไรก็ได้ซึ่งถ้าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายแล้วก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์จากอาหารเหล่านั้นแต่ในชั้นของการพินิษพิจารณานั้น บางครั้งทรงสอนให้กำหนดระลึกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารนั้นโดยทรงสอนแบบอุปมาว่าเหมือนมารดาบิดากับบุตรเดินกันไปในทะเลทรายสามคนสเสบียงอาหารที่ใช้ไปในการเดินทางก็หมดสิน้นลูกก็ตายลงในทะเลทรายพ่อกับแม่ก็ไม่มีอะไรจะรับประทาน ในที่สุดจำเป็นจะต้องรับประทานเนื้อของบุตรเพื่ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปในขณะรับประทานไปก็ร้องไห้เสียใจไปด้วยประการต่างๆการรับประทานอาหารที่เกี่ยวกับเนื้อกับปลาเป็นต้นก็ทรงสอนให้พิจารณาในลักษณะอย่างนั้นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะออกจากทะเลทรายนี้ให้ได้เมื่อไม่มีอะไรจะรับประทานก็รับประทานสิ่งเหล่านั้น แต่ก็ไม่ให้สยบไม่ให้ติดอยู่ในสิ่งนั้นๆบางครั้งเวลาทรงแสดงธรรมะในรูปของการเดินทางไปท่ำกลางมหาสมุทรหรือท่ากลางแม่น้ำใหญ่ก็ทรงเชีย่ยเห็นอันตรายประการหนึ่งที่เรียกว่ากุมพีรภัยคือภัยที่เกิดขึ้นจากเจร์เคซึ่งหมายความว่าเป็นอาการของจิตที่กระสันอยาก ราตนาต้องการอาหารโดยไม่เลือกว่าอะไรเป็นอะไรอย่างพวกจระเข้ทั้งหลายนั้นแกไม่ค่อยเลือกอาหารบางครั้งแกก็ต้องตายเพราะอาหารเช่นพวกนายพรานล่าจระเข้เอาลูกฟักไปต้มให้ร้อนๆจระเข้อ้าปากก็โยนลูกฟักลงไปจระเข้ก็งับลูกฟักนั้นแในที่สุดก็ตายเพราะถูกความร้อนในลูกฟักแผดขอเขาเอา บุคคลที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในการเกี่ยวข้องกับอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นอันตรายแก่อาหารอันตรายเพราะอาหารเป็นเหตุก็ได้ตั อ, อย่างรับสั่งเล่าเป็นรูปของนิทานบุคคลเอาไว้ว่ามีกวางตัวหนึ่งมีรูปร่างสวยงามมากเป็นที่ต้องพระทายของปราชาปราชาปร า, าปรถนาที่จะจับกวางตัวนั้นแต่ก็ไม่เคยจับได้สักที โรยิตก็แนะนําให้เอาน้ําผึ้งไปทาไว้ตามใบหญ้าใบไม้ที่กวางชอบรับประทานกวางก็ติดใจในรสหวานของน้ําผึ้งนั้นมาโดยลําดับและการทาน้ําผึ้งก็ทาเลื่อนมาโดยลําดับจนเข้ามาอยู่ในคอกที่กั้นเอาไว้กวางนั้นเพลิดเพลินเพราะความพอใจความยินดีในรสชาติของอาหารซึ่งแปลกไป ไม่ได้กําหนดทิศทางอย่างที่เคยกําหนดมาเมื่อหลงเข้ามาในที่ล้อมในที่สุดก็ถูกจับเพราะออกไปไม่ได้คนที่ตกเป็นทาสของอาหารก็มีลักษณะอย่างนั้นหรืออย่างที่เคยเล่าถึงบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างว่าเดินทางเพื่อจะไปรับสมบัติในกรุงตักกฤษดาคนหนึ่งติดในรูปคนหนึ่งติดในเสียงคนหนึ่งติดในกลิ่นคนหนึ่งติดในรสคนหนึ่งติดในสัมผัส คนทั้งห้าคนนั้นตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเจอรูปที่มีความสวยงามตามความรู้สึกของเขาเมื่อเจอรสอาหารที่อร็ดอร่อยตามความรู้สึกของเขาในาที่สุดก็สยบติดพร้อมที่จะสะละละทิ้งอุดมคติเดิมของตนเพื่อผลคือการได้เศษได้ลิมรสที่ตนพอใจในที่สุดเป้าหมายในการ ออกเดินทางจากเมืองสู่จากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ตามที่ตนต้องการการพิจารณาหานั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาโดยวิจิตพิสดารคือพิจารณาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมาเป็นอาหารซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งประกอบเหล่านั้นก็อยู่ในฐานะในสภาพของตน โดยความเป็นตัวของมันเองก็ล้วนแล้วแต่สกกระปปฏิกูลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อเป็นปลาหรือเป็นอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ปฏิกูลโดยสภาพของมันเองกว่าจะนำมาเป็นอาหารได้ก็ต้องมีการชำระล้างมีการขจัดสิ่งสกกระป๋ปฏิกูลเหล่านั้นแล้วเมื่อนำมาปรุงก็ประกอบด้วยความปฏิกูลด้วยประการต่าง ถึงเคยเห็นกันได้พิจารณากันได้ในชีวิตประจำวันของตนแต่เนื่องจากตามปกติแล้วเป็นความเคยชินคือคนไม่ได้เอาสติปัญญาไปมองในแง่นั้นในมุมนั้นจึงกลายเป็นความอรเด็ดอร่อยเป็นความสนุกสนานเป็นการแสดงผีมือไปอารมณ์ความกรรมฐานจึงเป็นเรื่องการมองสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวและเกี่ยวข้องกับตัวอยู่ตลอดนั่นเอง แต่เพิ่มปริมาณของสติให้สูงขึ้นเพิ่มปริมาณของปัญญาให้สูงขึ้นเพิ่มปริมาณของความเพียรให้สูงขึ้นแล้วก็หาประโยชน์อีกแง่หนึ่งอีกระดับหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าให้สละละทิ้งโดยไม่รับประทานอาหารอาหารก็คงรับประทานแต่ในขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์ทางใจด้วยคือแทนที่จะเป็นอาหารของร่างกายเพราะอาหารที่รับประทานไปโดยสภาพปกติธรรมดานั้นก็เป็นอาหารของร่างกาย คือนำผลประโยชน์มาให้แก่ร่างกายแต่ถ้าใช้ธรรมะสาประการเพิ่มพูนเข้าไปในการวิเคราะห์ในการสอดส่องอาหารเหล่านั้นมันก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในทางจิตใจได้เหตุผลได้สติปัญญารู้จักคุณค่ารู้จักความปฏิกูลต่างๆของอาหารเหล่านั้นจะทาให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายกาหนนะัด อย่างน้อยที่สุดก็คุมใจเอาไว้ไม่ถึงกับอยากรับประทานอาหารที่เกินความจำเป็นหรือได้มาในทางที่ไม่สุจริตเป็นต้นแล้วถ้าหากว่ามาถึงช่วงนี้คือช่วงที่ปรุงอย่างพิจารณาไม่เห็นก็พิจารณาในช่วงที่กาลังปรุงอยู่คือกาลังอยู่ในภาชนะและช่วงที่รับประทานเข้าไป ช่วงที่เข้าไปอยู่ในปากหรือช่วงที่อยู่ในท้องแล้วช่วงที่มีการหมักหมมอยู่ภายในท้องซึ่งถ้าหากว่าตั้งสติระลึกตามไปโดยลำดับเช่นนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหมดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นนอกจากจะมีความปฏิกูลโดยตัวของมันเองแล้วมีการปฏิกูลโดยการสะสมกัน โดยการแปดเปื้อนโดยการเที่ยวติดเที่ยวเกาะอยู่ในสถานที่ต่างๆและโดยความเป็นเศษเป็นกากโดยความมักบักผมโดยความถูกกักขังอยู่ในที่นั้นๆซึ่งในชั้นของการมนุิการอารมณ์ของกรรมฐานในแนวนี้บางครั้งก็สอนในรูปของคล้ายๆกับว่าคือถุงที่มันแปดเปื้อนด้วยสิ่งต่างๆ เนื่องจากหมักหมมอะไรไปมากเราก็เอาด้านในของถุงนั้นออกมาพิจารณาก็จะเห็นถึงความปฏิกูลของถุงนั้นในแง่ในมุมต่างๆแล้วก็นึกย้อนเข้ามาหาที่ตัวก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าในร่างกายของเรานี้ก็ได้หล่อเลี้ยงสิ่งสกปรกได้เก็บสะสมสิ่งสปกปกจริงสกปรกเอาไว้เป็นนั้นมาก ก็กลายเป็นป่าช้าขนาดใหญ่ที่หมักหมงของซากสัตว์ของซากผักของสิ่งต่างๆนานาชนิดถ้าหากว่าพิจารณายังไม่เห็นโดยในยะนี้ก็พิจารณาในส่วนที่มันเป็นเศษเป็นก า, กากออกไปจากช่องต่างๆช่องต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ซึ่นั่นก็ว่าที่จริงก็คืออาหารประเภทต่างๆที่บุคคลรับประทานเข้าไปนั่นเองแต่ก็เหลือเป็นเศษเป็นก า, กากออกมาอย่างนั้น การพินิจพิจารณาในลักษณะนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่ในรูปแบบอะไรเลยคือไม่ถึงก็ต้องนั่งคู่บัลลังตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแต่เป็นเรื่องของสติระลึกทันต่ออาหารเหล่านั้นในช่วงในขณะที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนเหตุผลขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับ ซึ่งลักษณะการพิพจารณาเช่นนี้บางครั้งบางคราวพระที่ท่านจเริญกรรมาฐานส่วนนี้มองอยังไงมันก็มองไม่ค่อยจะเห็นจึงมีการรับประทานมีการฉันอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามิสกาหารเรนะคืออาหารที่เจือกัดได้ แ, แก่เอาอาหารทุกอย่างที่จะฉันนั้นไปปะปนคลุกคล้าเข้าด้วยกันแล้วก็นั่งดูนั่งพิจิตพิจารณาไป จนมองเห็นเป็นความปฏิกูลแล้วก็ฉันอาหารนั้นเข้าไปซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วในชั้นนี้ก็บางคนก็ปฏิบัติได้บางคนก็ปฏิบัติไม่ได้แต่เป็นกรรมฐานที่ทรงเสนอให้เลือกขึ้นว่าใครพอใจใครมีความถนัดที่จะใช้อารมณ์นี้เข้าไปปฏิบัติก็เลือกไปปฏิบัติแต่ ว, ว่าปฏิบัติไปแล้วไม่เกิดเป็นสัปายะแก่ตน คือบางครั้งบางข่าวก็กลายเป็นรับประทานอาหารไม่ได้เป็นเลยก็ไม่ต้องไปพิจารณามันกรรมฐานทั้งหมดจึงเป็นการเสนอแนะให้เลือกเฟ้นเอาอะไรทาได้ก็ทาอะไรทาไม่ได้ก็ไม่ต้องเพราะว่าตัวอารมณ์ทั้งหมดแม้จะทรงแสดงไว้วิจิตพิสดารอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติพอเดินเข้าไปหาสมาธิแล้วจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือจะเป็นความสงบเป็นการตัดกระแสของอารมณ์จากภายนอกจิตจะนิ่งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นเป็นลำดับไปพวกอาหาเรปฏิกูลสัญญาตหากว่าพิจารณาในระดับที่เป็นกรรมฐานจริงๆไม่ได้เพราะจะเกิดเป็นอสัพปะยะคือไม่สบายแก่ตนหรือเกิดคลื่นเถียนอาเจียนขึ้นมาเป็นตน้นนันก็มองในแง่ที่ทรงสอนให้พิจารณาในขณะนั้นๆ ที่บาลีใช้คาว่าตังคณิกะปัจจเวกขณะคือการพิจารณาในขณะนั้นๆโดยเล็งไปที่วัตถุประสงค์ของการบริโภคอาหารว่าการบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อความเมตตารอยเพื่อแสดงฐานะเพื่ออ้วนเพื่อพีแต่ประการใดแต่เป็นการบริโภคด้วยความหวังว่าเราจะสามารถขจัดความหิวเก่าออกไปได้ ต้องการความหิวใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นได้ให้ร่างกายมีกําลังเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้ให้ได้เพียงสามช่วงนี้คือช่วงของความคิดทั้งสามช่วงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตของคนได้มากทีเดียวการอยากรับประทานน้นอยากรับประทานอย่างนี้ที่พิจิตตพิสดารออกไปก็จะค่อยๆเบาบางลงมันก็ช่วยทั้งในด้าน เศรษฐกิจช่วยทั้งในด้านสุขภาพช่วยทั้งในด้านการประหยัดเวลาที่จะต้องใช้ไปเพื่อแสวงหาอาหารที่กำหนดว่าอริดอร่อยจากที่ต่งตางๆมารับประทานมาบริโภคมาลิ้มกันข้อนี้จะเห็นได้ว่ากรรมฐานที่ทรงสแสดงไวหรือธรรมะที่ทรงสแสดงไวเพื่อเป้าหมายในชั้นที่สูงก็ตามแต่มันก็มีลักษณะเหมือนการขึ้นต้นไม้ คือถ้าเราขึ้นไปได้ระดับหนึ่งหรือขึ้นไปบันไดคือขึ้นไปได้ระดับหนึ่งชั้นหนึ่งมันก็สูงขึ้นระดับหนึ่งชั้นหนึ่งต่ความปลอดภัยมันก็เพิ่มขึ้นความใกล้ต่อความสุขความสบายก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับจึงเป็นเรื่องที่ถ้าหากในยามใดขณะใดจิตใจไม่มีความสงบวาวุ่นโดยอารมณ์ต่างๆเป็นต้นหรือเกิดความอยากรับประทานอยากลิ้มอยากชิม ซึงแต่หากว่าลิ้มชิมไปแล้วรับประทานไปแล้วจะมีปัญหาในทางเศรษฐกิจเป็นต้นผู้คนก็สามารถน้อมนำเอากรรมาฐานส่วนนี้ไปคิดไปพินิพิจารณาได้เมื่อปฏิบัติได้ในระดับใดก็ตามผลก็คือความรู้เหตุผลความเข้าใจเหตุผลในการรับประทานอาหารและมองเห็นว่าอาหารนั้นเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ จะต้องเอาจิงเอาจาังในเรื่องนี้กันมากนะแต่ยังมีสิ่งอื่นมีธรรมะเหล่าอื่นมีความดีเหล่าอื่นที่จะต้องเพิ่มพูนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสูงขึ้นยิ่งกว่านั้นการให้ความสำคัญแก่อาหารจะน้อยตรงและสามารถจะดำรงตนอยู่ได้อย่างโปร่งเบาสบายไม่ต้องไปว่าไอไปวุ่นวายเดือดร้อนในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาจจะใช้เวลาขณะที่มาถึงข้าว ใช้สติกับสัมปัสปัญญาเป็นหลักดังกล่าวแล้ว พ, พ, พ, พิจิพินพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงอาหารที่เกิดขึ้นและอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นประจักษ์ชัดด้วยปัญญาในขณะนั้นๆอย่างที่ทรงใช้คําว่าตถาตถาวิปัสสติคือหเห็นประจักษ์ชัดในจุดนั้นๆในอารมณ์นั้นๆเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เป็นการเสริมคุณค่าของเวลา ที่ผ่านมาในแต่ละขณะให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมซึ่งจำเป็นจะต้องมีและในส่วนที่เป็นนามธรรมคือเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะและเพิ่มความเพียรให้สูงขึ้นภายในจิตใจแม้จะไม่พุ่งตรงไปในสายนี้แต่ก็เป็นพื้นฐานให้การปฏิบัติกรรมฐานในข้ออื่นดาเนินก้าวหน้าไปในเวลารวดเร็วได้ อาหารเรปฏิกูลสัญญาจึงเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งที่ทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นหลักในการพิจิิณาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้เห็นว่าจะสบายด้วยการปฏิบัติตามกรรมฐานข้อนี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป